ยังไม่สามารถจะตัดขั้นห้าได้เด็ดขาดด้วยกำลังของจิตยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่แต่ว่าความรู้สึกของท่านมีความดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าเราจะต้องตายยังไงยังไงก็ตายแน่เหมือนกับที่เปรการีเมียรงคิด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 ถึงม้ว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ยังรู้สึกรู้สึกเจ็บรู้สึกโวดเหมือนกันนี่ว่ากันถึงอารมณ์ขมขื่ น, นดับบันเมื่อจิตเข้าถึงว่าโศนดาบัรและมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องตาย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 เนื้อตายเช้าตายบ่ายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายเด็กตายหูค่ำก็แน่นอนไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็เชิญแต่ถ้าว่าเราจะตายอยู่กับความดี อารมณ์ของพระโสดาบันที่จะคัดค้านคําสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระจินสีนั้นไม่มีคือว่าเป็นคนไม่สงสัยในคําสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นดับที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจชาพระโสดาบันตัดสังโยชตตัวที่สองได้คือความสงสัย ที่เรียกว่าวิธิกิจชาขึ้นช่อว่าความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในประโสดาบันเกิดคนโดยกําลังของปัญญาที่พิจารณาหาความจรงิงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขและอันดับหลังสีรพตา -paramat พระโจนดาบันย่อมทรงสินบริสุทธ์ตามฐานะของตัวคำว่าฐานะของตัวก็หมายความว่าถ้าเป็นฆราวาสก็มีสินห้าเป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาในการทำลายสินรักษาสินบริสุทธ ไม่ทำลายศีลได้ตนเองไม่ยุอ้อยบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นนันว่าประโสดาบันเป็นผู้มีความทรงอารมณ์อยู่ในศีลเป็นสำคัญนักหน่วงในเรื่องของศีลยอมตัวตายดีกว่าสีลขาด เป็นกันที่กล่าวมานี่หมายที่ว่าสังโยชาบริการนี่ประโสดาบันปฏิบัติมีจิตเข้าถึงตามนี้งี้เราขอพูดกันต่อไปว่าก่อนที่จะเข้าถึงความเป็นประโสดาบันจากโลกีเป็นโลโกตระตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโคตรภูญาน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 ถ้าเกิดเป็นเรวดาก็พักทุกโชกคราวหรือผมก็เช่นเดียวกันถ้าหมดบุญวาสนาบารมีแล้วก็จะต้องจากเทวดาจากผมมาเกิดเป็นคนบ้างบางรายก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติเลชนันเป็นนั้นว่าเขตุอย่างสามจุดไม่มีความหมายสำหรับใจ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 ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นการพัดพร่จากของรักของชอบใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกหนักปในด้านของธรรม ด, ดาแต่ด้ว่าธรรม ด, ดาของประสูติบัญยังอ่อนกว่าธรรม ด, ดาของพระอาหารหันต์มากฉะนั้นท่านที่เข้าถึงความเปม็นประสูาบัญจึงยังมีความรักในระหว่างเพศ ยังมีการแต่งงานยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงทั้งนี้พ <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าตั้งกล่าวไว้แล้วว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อย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 ความอยากรวยก็ดีความโกรธก็ดีความห ล, ลงก็ดีขอาพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลเรารักในรูปโฉมหนมพันมีการแต่งงานกันได้ระหว่างสามีพันยาในตอนนั้นพระโสดาบันจะมีความซื่อสัตย์จริตกับสามีและพันยาของตนเอง ยอมเคารพสิทธิในสิ่งกันแลกันจะไม่นอกใจสามีและปัญญาขึ้นชื่อว่าการมือสมิชาจา์จะไม่มีสำหรับพระโสดาบันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีอารมณ์เป็นสุขและรินนการี่สองพระโสดาบันยังมีความโกรธท่านโกรธจริง พูดเป็นที่ไม่ถูกใจแท่านก็โกรธทําให้เป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธแต่ด้วยว่าพระโสดาบันมีแต่รมโกรธไม่ประทุษร้ายให้เขามีการบาดเจ็บและไม่ฆ่าคนแลรสัตว์ที่ทําให้ตนโกรธให้ถึงแค่ความตาย เป็นอนว่าความโกรธหรือความพยายามของท่านอยู่ในขอบเขตของศีลจี่โกรธแต่ว่าไม่ทำร้ายนี่แตกต่างกับคนธรรมดาจงนี้สําหรับได้ความหลงของพระโสดาบันที่ขึ้นชื่อว่าหลงก็เพราะว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวย เมื่อสักครู่นี้ข้ามามยากรวยไปการอยากรวยของมั่โสนาบันคือต้องการความรวยในด้านสุจริตธรรมเท่านั้นเรื่าการพุทธิริคิดร้ายค่อยโกงบุคคลอื่นใดไม่มีในลมจิตของมั่โสนาบันประกอบอาชีพด้วยด้วยความสุจริต ราักใสยังรักในความสวยสดงงามคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงที่เพราะว่ายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังมีของสวยของงาม การถือตัวถือตนแบบนี้จริงคิ่ว่ามีความหลงแต่ความหลงของบาสโนดาบันนั้นไม่สามารถจะนำบุคคลผู้นั้นเมื่อเวลาตายแล้วไปส่วบายภูมิได้จุดนี้ขอบรรดาท่านทุนทั้งหลายผู้รับฟังจงจำไว้ ว่าความจริงอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นไม่แตกต่างกับชาว บ, บ้านธรรมดาเท่าไรนักชาว บ, บ้านธรรมดายังมีความรักในเพศยังมีสามีพัญยาแต่ได้ว่ายังมีการนอกใจสามีนอกใจพัญยาสำหรับพระโสดาบันไม่มี ชาวบ้านอยากรวยรวยก็จะมีการคกคิดการโกงมีการยื้อแย่งโฉกชิ้นวิ่งราวซั์สำหรับพระโสะดาบรรถ้าต้องการรวยก็รวยด้วยการสุจริตหากินด้วยความชอบธรรมตั้งกันตรงนี้พระโสะดาบันมีความโกรธชาวบ้านโกรธแล้วก็ปรารถนาจะพะทุศรายถ้ามีโอกาสก็พะทุศรายบุคคลที่เราโกรธ ถ้าสามารถจะฆ่าได้ก็ฆ่าสำหรับพระโสดาบันมีแต่ความโกรธถือการประทุษร้ายไม่มีการข้าวการประหารกันไม่มีนี่ต่างกันกันกบสชื้อบันพระโสดาบันยัมีความหลงตามที่กล่าวมาด้วยาการที่ผ่านมาแล้วแต่ได้ว่าพระโสดาบันก็ไม่ลืมคิดว่าเราจะต้องตาย เมื่อเราตายแล้วเราจะต้องพัดพร่าเจของรักของชอบใจตอนนี้พระโสดาบันไม่เสียใจไม่สิได้ถือว่าถ้าตายเรามีความสุขที่ขอต่ังหลายจะมาการอารมณ์จิตที่เข้าถึงพระโสดาบันไว้ด้วย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 เพราะถือว่าเป็นโจนปรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายความดีไม่ใช่ว่าเป็นพระอรียเจ้าแล้วแล้วก็จะเมตตาไปสัทุกอย่างท่านเมตตาแต่คนดีเดียวว่าบุคคลผู้ใดมีความประพฤติชั่วแนะนำแล้วสามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็เมตตา ถ้าเขาชั่วแนะนำและไม่ซาดไม่สามารถจะกลับตัวได้พระโสนาบันก็ทรงเวขาคือเฉยไม่สรงเคราะห์โปรดจำอารมณ์ตรงนี้ไว้ดีในการต่อไปพระโสนาบันมีศีลบริสุทธิ์ขอพูดย่อให้สัน้นว่าองค์ของพระโสนาบันก็คืนหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้า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 มีความรู้สึกต้องการอยู่อย่างเดียวว่าเราทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้ น, นอารมณ์จิตตอนนี้ของบรณดาท่านพุทธบริษัทพิสุทธิมนเณรทุกท่านต้องจําไว้จงอย่าไปคิดว่าประสดาบันเนี่ยเลอเลิอดไปถึงอารมณ์อหรหันดโดยมากม้อยจะคิดว่าอารมณ์ของพระอหรหันเป็นอารมณ์ของพระสูดาบัน ก็เลยทำกันไม่ถึงให้เป็การคิดผิดความจริงการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นง่าย <c oughs> ไม่อารมณ์ไม่หนักที่หนักจริงๆก็คือศีลอย่างเดียวตอนนี้ไปขอพูดหนะ้าการคําพระโสดาบันที่พึงได้พระโสดาบันจัดเป็นสามขัน้นคือหนึ่งสตากัตรง สำหรับที่ท่านเป็นประสดาบันเมียรมยังอ่อนจะต้องเกิดและตายในระหว่างเทวดาหรือพรมกับมนุษย์อีกอย่างได้เจ็ดชาติเป็นมนุษย์ชาติที่เจ็ดจะเข้าถึงความเป็นอรัตนผลถ้าเมียรมเข้มแข็งไปกลางที่เรียกก้นว่าโกหลังโกละ อย่างนี้จะทรงความเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีกสามอย่างและสามชาติครบเป็นมนุษย์ชาติทสามเป็นพระอรหรันสําหรับพระโสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็งนั่นก็จะเกิดเป็นเทวดาอีกครั้งเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอรหรัน ที่พูดตามนี้หมายความว่าท่านผู้นั้นเมื่อเป็นประสูนดาบันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา <c oughs> จะต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอทุกชาติแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฐิในชาติต่อๆไปจะไม่มีแก่ประสูนดาบันเพราะว่าประสูนดาบันไม่มีสิทธิจะไปเกิดเป็นสัมนรก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 ย่อมมีอารมณ์รุนแรงในความในความโลภในความโกรธในความหลงแปลได้ว่าเป็นผู้มั่นคงในสินไม่ละเมิดสำหรับพระโสลาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีอารมณ์เยอเือเย็นมากหรือว่ามีความมั่นในคนพระราตนตรัยมีสินมั่นคงมาก ความจริงเรื่องสีนี้มั่นคงเหมือนกันแต่ใจจิตของท่านเบาบางในด้านความรักความโลภความกลัความหลงความคำหนึ่งถึงอารมณ์อย่างนี้มีอยู่แต่ก็น้อยถ้ามีคู่ครองเขาแย้โทษว่ากามกุลท่าจะลดจนลงไปความสนใจในเพศความสนใจในความโลภ อารมณ์หความโกรธอารมณ์ความหลงมันเบากระทบไม่ค่อยมีความรู้สึกสำหรับประโสดาบันขั้นเอกวิชีในตอนนี้อารมณ์ของท่านโบนั้นจะมีอารมณ์ธรรมดายอยู่มากขอท่านงหลายโปรดอย่าลืม ว่าพระอริยเจ้าจะเป็นคราวา่ายกนดีจะเป็นพระกนดีจะเป็นเองกอนดีจะเป็นคนมีจิตละเอียดไม่ขัดคำสั่งผู้บงังคับบัญชาและไม่ขัดคำสั่งไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและกฎหมายอันนี้เป็นอารมณ์ของมรสนดาบันที่ท่านลอยจะเพื่งทราบ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 หรือว่าความร่ํารวยหรือว่าความโกรธหรือหลงในระหว่างเพศหลงในสภาวะต่างๆเห็นว่าเป็นของไร้าสาระมีอารมณ์เบาในความปรารถนาในสิ่งนั้นๆแต่ทือว่าก็ยังมีความปรารถนาอยู่อาราบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครู เมื่อพูดมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คงไม่ได้ลมแรงการปฏิบัติแต่ได้ว่าลมแรงการปฏิบัติในความเป็นประโสดาบันท่านฟังกันมาแล้วสองคืนยากอัดก็ผมเองมีความรู้สึกว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกว่าง่ายสําหรับท่านแต่ท่านหากว่าเห็นว่ารมความประสดาบันยากนี่ ถ้าเป็นพระหรือเป็นเนนผมไม่ถือว่าพระหรือว่าเนนผมถือว่าเป็นเถนเถนในที่นี้หมายถึงหมายความว่ามีสระเอหนำหน้ามี ถ, ถ้ถทงและก็นอหนูเขาแปลว่าหัวขโมยคือขโมยอาเพศของพระเดียเจ้ามาหลอกลวงชาวบ้านตามปกติพระกับเนนนี่ต้องทรงศีลบริสุทธิ์อยู่แล้ว ถ้าละพูดไปเวลาไม่เกินเปหนึ่งนาทีก็ขอพอไว้แต่เพียงนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจต่อตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธัธยาศัย ทรงกำลังใจควบคุมอารมณ์ความเป็นประโสนาบัญของท่านไวจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีต่อที่นี้ไปอันดาท่านหลาไได้พากันสมาทางศีลและสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็ตั้งใจเจริญสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณ การเจริญสมาธิจิตวันนี้ก็อยาอพูดตนยันปลายด้วยการพูดเร็ียองเลยยอการเจริญสมาธิจิตนี่ตามแบบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสองสายด้วยกันคือตามแบบุองกรรมฐานสี่สิบนี่สายหนึ่ง เดิตามหลักสูตรของมหาสติปัฏฐานอีกสายหนึ่งโดยเฉาะอย่างยิ่งในในสูรในสูตของมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นการเจริญพระกรรมฐานเพื่อสุขวิปัสสโกอย่างเดียวสาหรับในกรรมฐานสี่สิ เป็นสูตรสำหรับเจริญกรกมฐานรวมทั้งสุขวิปัสสโกเตวิชโกชลาปิญโยและตาปิสัมพิทัปโตนี่การปฏิบัติกรรมวองบรรดาท่านพุทธบริษัทเรียกปฏิบัติเันตามอัธิยาศัยการที่จะปฏิบัติแบบไหนก็ต่างก็ขึ้นกับอารมณ์จิตอย่างเดียวด้วยในอันดับแรกให้มีสัจธรรมประจําใจเข้ สัจจะแปลว่ า, ววาความจริงใจส่งความจริงเข้าไว้ว่าเราตัาง้งใจจะส่งสมาธิจิตให้จิตมันส่งอยู่ในขั้นของสมาธิคําว่าสมาธินี้ไม่ใช่แปลว่าวนอนหลับมาึงว่าจิตทรองอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปโดยเฉพาะเอน่อนเลยจงอาณาปานุสติกรรมฐานคือกําหนดรู้ ล, ลมให้ใจเข้าออก ก็ให้จิตจับอยู ic, ่เฉพาะลมให้ใจเข้าออกไม่ปลดไม่ปล่อยให้จิตสั้นไปส่วรลมอื่นเมื่อว่าเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานได้านุสติสิก็ดีอาุมณ1สิก็ดีกสิ่สิ่ก็ดีอาหารเรยบรื่กูตสนิยาจัตุธาตุทา้งสี่ภูมิหารสี่ก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่ง ใกลจิตจักคือเฉพาะอย่างนั้นโดยเฉพาะอารมณ์ที่ทรงอยู่ตามที่เราปรารถนา น, นั่นเรียกมาจิตเป็นสมาธิมีการที่จะได้ดีหรือไม่ได้ดีมันก็อยู่ที่ความจริงใจของเราเท่านั้นมีการเจริญเครกรรมฐานที่บอกว่าทําแล้วไม่ได้ดีก็เพราะคนดีหาความจริงไม่ได้นั่นเอง ไม่เคมีอะไรยากลำบากอะไรที่ไหนเป็นของธรรมดา